ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่49มาคุยกันต่อได้พูดในเรื่องบุพนิมิตแห่งมรกมาได้สองข้อคือข้อกัลยานามิตรตาความมีกัลยานามิตรกับข้อศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลเน บอกแล้วว่าเริ่มต้นด้วยข้อที่หนึ่งก็อยู่นอกสุดเลยคือการที่สามารถเอาประโยชน์หรือได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ก็คือที่เราเรียกว่ากัลยาณมิตรและมาที่สที่สองก็คือเรื่องศีลได้แก่การตั้งอยู่ในวิ น, นัยเป็นเรื่องที่มาอยู่ที่ตัวเอง ที่ว่าจะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่เอื้อต่อกันหรือเป็นประโยชน์ต่อกันทําให้เกิดโอกาสในการที่จะพัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นไปสามารถจัดสรรชีวิตของตอนเองให้เป็นระเบียบได้โดยมีความเข้าใจในความมุ่งหมายก็จะทําให้ชีวิตของตอนเองนี่สามารถใช้เวลาเป็นต้นให้เป็นประโยชน์ ได้มากเท่านั้นแล้วก็ทําให้ไม่เกิดความติดขัดไม่เกิดอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมที่ตัวเข้าไปเกี่ยวข้องที่ต้องอาศัยนี้ต่อไปก็จะมาข้อที่สเข้ามาข้างในตัวเองแล้วทีน่นี่เรียกว่าฉันทะสัมปทาถึงพร้อมได้ฉันทะอันนี้เป็นเรื่องของแรงจะเรียกว่าแรงผลักดนันหรือแรงขับเคลื่อนในตัวเอง ที่จะทำให้เดินหน้าไปคนเราไม่มีแรงสะอย่างก็ทำอะไรก็ไม่ได้ผลหรือก็จะไม่ทำอะไรนั่นแหละเพราะว่าแรงนี้ทำให้เรามีการขยับขึ้นเคลื่อนขึ้นไหวนี่ฉันท่า น, นี้อธิบายมามากแล้วนะเพราะว่าตอนก่อนนี้เราพูดกันมาถึงเรื่องตันหาแลวตันหาก็เป็นคู่ตรงข้ามกับฉันทะตันหาเป็นฝ่ายกุศล คือความอยากความปรารถนาในการที่จะเสพหาความสุขบำรุงบำรุตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวแล้วก็เป็นเรื่องของการสนองตัวตนอยากให้ตัวตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัณหานั้นก็เป็นความอยากฝ่ายอกุศลแต่ว่าความอยากจำเป็นจะต้องมี ถ้าคนเราไม่มีความอยากนี่มันก็ไม่ทำอะไรเท่านั้นแหละความอยากนี่เป็นตัวแรงความปรารถนาความอยากความต้องการก็จะใช้คำไหนก็แล้วแต่ น, นี่ก็ย้ำที่ว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดเป็นว่าความอยากเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะต้องละต้องกำจัดหต้องงดต้องลดอันนั้นเป็นความอยากฝ่ายอากุศลที่เรียกว่าตัณหา ในความอยากมันมีอีกอย่างก็คือความอยากที่เป็นกุศลได้กระชันทะเนี่ยในขณะที่ตันหานั้นเป็นความอยากเสพอยากสนองความต้องการของตัวตนต่างๆเป็นเรื่องของฝ่ายที่เนื่องกับอวิชชาคือความไม่รู้อาศัยอวิชชาเป็นตัวเอื้อ นี่ฉันท่าเป็นความอยากฝ่ายดีฝ่ายกุศลนี่อาศัยปัญญาต้องพัฒนาไปกับปัญญาเรื่องนี้ได้อธิบายมามากมายแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาอธิบายกันละเอียดอีกก็เป็นเพียงมาทบทวนเท่า น, นั้นเองอันนี้ฉันท่าเป็นความอยากความฝ่ายดีมันก็จะมีที่เราแยกกันไว้นะ<ม>เอาว่าเราคอยเทียบกันการเรื่องฝ่ายตัญหาตัญหาที่ฝ่ายเสพ ปนเปลือตาหูจมูกลิ้นกายในสิ่งที่ชอบใจทำให้เกิดสุขเวทนาทีนี้ไฟฉันทานีก็ใยรู้ายอยากจะรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็ไยที่จะทำายดีนั่นเองไยรู้และายดนะีเพราะว่าคนเรานี่มีชีวิตอยู่นี่ จะมีชีวิตได้ดีนี้ต้องมีปัญญารู้เข้าใจสิ่งต่างๆอย่างที่เคยอธิบายกันมาแล้วถ้าเราไม่รู้เราก็ทําอะไรไม่ถูกการรู้ก็คือรู้ความจรงิงของสิ่งต่างๆการที่อยากรู้ฝ่ายรู้นี่เป็นฝ่ายฉันทะนะจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันเลยกับฝ่ายเสพบํารุงบําเรอตาแล้วเราก็เคยพูดกันในแง่ของการใช้ตาหูจมูกลิ้นนี่แหละ เจ้าความอยากอันนี้จะแสดงเห็นชัดในตอนที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายถ้าใช้ตาฝ่ายตันหามันก็ใช้ตาเพื่อเสพเพื่อจะดูสิ่งที่ชอบทําให้สบายนะสบายตาสบายหูบํารุงบําเรอปลนเปลอือตาหูจมูกลิ้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการเสพทีนี้ตาหูของเรานี้มันไม่ได้ใช้งานเฉพาะเสพหาความสุข แต่ว่ามันอีกด้านหนึ่งก็คือมันใช้ในแง่ความรู้ไอ้ด้านเสษ็จจะเป็นด้านความรู้สึกรู้สึกสบายก็อยากจะดูรู้สึกไม่สบายก็ไม่ชอบใจก็อยากจะหนีทีนี้อีกด้านหนึ่งก็เราใช้ตาหูจมูกลิ้นเพื่อดูเพื่อเพื่อเพื่อความรู้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไอ้ตอนนี้เป็นจําเป็นถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีได้ปลอดภัยได้ มีความเจริญงอกงามได้ก็ต้องรู้เพราะนั้นใช้ตาดูหูฟังเพื่อรู้ก็จะมาทางฉันทะนี่พอเราใช้เพื่อรู้ต่อไปพะเรามีการที่ได้ประสบการณ์ได้รู้ขึ้นมาเราก็อยากรู้ยิ่งขึ้นมันก็เกิดการพัฒนาความอยากรู้หรือไยรู้นี้ขึ้นมาพอความใยรู้เกิดขึ้นมาได้สนองความต้องการใยรู้ก็มีความสุขจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นความสุขชนิดใหม่ แต่ก่อนนี้ต้องมีความสุขจากการเสพ บ, บำเรอตาหูจมูกลิ้นได้เสพแล้วก็มีความสุขแล้วก็สุขนะั้นต้องขึ้นต่อสิ่งที่ชอบใจถ้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทุกนี่เป็นด้านตัณหาไฟเสพนี่พอเป็นด้านไฟรู้สนองความต้องการในการรู้การรู้นั้นไม่เกี่ยวกับความชอบใจไม่ชอบใจเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เราเจอเป็นประสบการเรียนรู้ได้ทั้งนั้น สิ่งที่ชอบใจก็ได้เรียนรู้สิ่งไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู้ได้ความรู้ทั้งหมดไม่ได้ความรู้ตัวเองอยากจะรู้นี่ก so ็เลยหาความสุขได้จังทั้งจากสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาในง่ายความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อไอความอยากเข้ามามันก็มีเรื่องความสุขเข้ามาด้วยความอยากฝ่ายตันหาฝ่ายเสพก็สุขจากสิ่งที่ชอบใจทุกจากสิ่งไม่ชอบใจฝ่ายชันทะ ก็ได้สุขจากการเรียนรู้ซึ่งไม่ขึ้นต่อชอบใจไม่ชอบใจสิ่งชอบใจไม่ชอบใจได้เรียนรู้ก็สุขทังนั้นนะเพราะได้ความรู้นี่พอเรียนรู้แล้วมันก็จะมีความพัฒนาอีกก็คือว่าเมื่อเรารู้เราจะรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆมันไม่อยู่ค่เสพถ้าเสพมันมันก็เลยเพลิ้นไปงั้นเองมันไม่ได้เรียนรู้นี่พอเรา ใช้ตาหูใช้ตาดูหูฟังเป็นต้นเรียนรู้นี่พอเรารู้รู้อะไรเป็นอะไรเราก็แยกได้ว่าเออสิ่งนี้อยู่ในภาวะนี้มันดีหรือไม่ดีจะเกิดการก้าวไอีกขั้นหนึ่งก็คือการแยกระหว่างภาวะที่ดีและไม่ดีภาวะที่ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นภาวะที่บกพร่องหรือสมบูรณ์ตอนนี้สิ่งที่เรารู้มันก็จะมีภาวะอย่างเงี้ยสิ่งที่รู้ประเภทเดียวกันอันหนึ่ง อยู่ในภาวะที่มันไม่ดีไม่น่าจะเป็นอีกอันนึงอยู่ในภาวะที่ดีที่น่าจะเป็นอันนึงอยู่ในภาวะบกพร่องอันนึงอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์เราเห็นพรม ป, ปูนี่มีสองผืนแล้วก็ผืนนี้มันสะอาดเรียบร้อยดีนี่มันสมบูรณ์ภาวะนี้เรียบร้อยดีเห็นพรมอีกผืนหนึ่งสกปรกกระดำกระด่างเปื้อนแล้วก็รู้เลยว่าอันนี้ไม่ดีไม่ควรจะเป็น ความรู issance, no else, our our part, ้นี otras, ่แยกได้ระหว่างความดีและความไม่ดีความสมบูรณ์แลอไม่สมบูรณ์ความควรจะเป็นไม่ควรจะเป็นทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้มันก็เกิดความอยากขึ้นมาว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้เพราะอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันดีนั่นเองอยากให้มันสมบูรณ์ก็เกิดความอยากชนิดใหม่เรียกว่าอยากให้มันดีหรืออยากดีายดี เพราะนั้นความใยรู้ก็นําไปสู่ความใยดีถ้าใยดีอยากให้มันดีอยากให้มันเป็นอย่างนั้นน่ยอันนี้ทําไงล่ะทําไงมันจึงจะเป็นอย่างที่มึงควรจะเป็นทําไงมันจึงจะดีทําไงมันจึงสมบูรณ์ไอความอยากที่จะให้มันดีให้มันสมบูรณ์เนี่ยมันจะนําไปสู่การอยากทําให้มันดีอยากทําให้มันสมบูรณ์ก็เกิดความอยากทําขึ้นมาอยากทําให้มันดีนี่ก็ใช้ศัพท์ ให้มันเพราะก็เรียกว่าอยากสร้างสรรค์อยากสร้างสรรค์ก็คืออยากทําให้มันดีถ้าอยากทําลายก็ไม่เรียกว่าสร้างสรรค์แน่ไม่เป็นการอยากทําให้มันดีเพราะอยากทําให้มันดีมันก็เป็นแรงทําให้เราเนี่ยต้องไปทําเพราะมันอยู่ดีๆมันจะดีขึ้นมาไม่ได้พออยากทําให้มันดีก็ไปทำเพราะไปทําขึ้นมันก็มีความสุขในการที่กระทํานั้นเพราะว่าผลที่ต้องการเกิดขึ้นคือว่า จากภาวะที่ไม่ดีมันก็ดีขึ้นมาเพราะนั้นคนที่มีฉันทะฝ่ายดีอยากทำให้มันดีฝ่ายสร้างสารรค์ก็มีความสุขจากการกระทำตอนนี้ก็เลยแยกไปการทวนอีกที่เคยพูดไปแล้วว่าตอนนี้มันเป็นทางสองแพร่งฝ่ายหนึ่งก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเสพนะแล้วก็ เมื่อเสพความสุขก็อยู่ที่สิ่งที่ชอบใจและเจอสิ่งไม่ชอบใจก็ทุกข์เพราะนั้นเขาก็จะมีสุขทุกข์วนเวียนอยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจแล้วเขาก็ไม่มีทางหนีได้เพราะสิ่งที่เขาเจอมันก็มีสองอย่างเนี่ยชอบใจกับไม่ชอบใจส่วนคนที่มีฉันทะนี่อยากรู้ฝ่ายรู้บอกแล้วว่าการเรียนรู้นั้นไม่ขึ้นต่สิ่งชอบใจไม่ชอบใจสิ่งชอบใจไม่ชอบใจเรียนรู้ได้ทั้งนั้น ใ น, นความสุขของเขาก็พ้นจากวงจรของความชอบใจไม่ชอบใจมาสู่การที่สามารถมีความสุขได้จากประสบการณ์ทุกอย่างไม่ว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจนะแล้วก็ฝ่ายตัณหาที่สุขจากเสพอันนั้นก็คือเมื่อเสพก็คือได้รับการบํารุงบําเรอบํารุงบําเรอก็คือตัวเองเป็นฝ่ายรับฝ่ายได้ก็คือสบายไม่ต้องทําเพราะนั้นฝ่ายเสพ ตันหาเนี่ยจะมีความสุขเมื่อตัวเองได้รับการบรรําเลอไม่ต้องทำอะไรนี้ตัวเองไม่ต้องทำอะไรจึงจะสบายถ้าเกิดต้องทำขึ้นจำใจเป็นทุกข์เพราะนั้นพวกตันหาพวกเสพนี่จะมีปัญหาเกิดทุกข์จากการกระทาการกระทาคือความทุกข์ฝ่ายที่เป็นฉันทะนี่มันอยากทำให้มันดีฝ่ายสร้างสรรเพราอมันไปทำให้มันดีขึ้นมันสุขจากการกระทำนะ นั่นมันก็เป็นการก้าวหน้าในเรื่องความสุขคนที่มีชั้นท่าเกิดขึ้นมาก็ได้สุขจากเสพก็มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วแม้มีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้ได้เรียนรู้แล้วก็มีความสุขจากการกระทาการสร้างสรรค์เลยสุขมากมายนแล้วเข้มแข็งพัฒนาไปได้เรื่อยๆ อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องของระหว่างตันหากับชันท่าที่พูดไปแล้วน นี่ชันธานี่เป็นธรรมะที่จําเป็นในการที่จะเจริญงอกงามในความดีในการพัฒนาชีวิตถ้าไม่มีตัวฉันธานแล้วก็มันก็หมดแรงมันก็ไม่ไปแล้วนะดังนั้นท่านก็แปลฉันทา น, นี่ไปเน้นที่การกระทําว่าใยธรรมคําว่าใย ธ, ธรรมนี่คําว่าธรรมนี่ทอรอหันมอก็ได้นะธรรมหรือทอสละอาธรรมก็ได้นะ ไฟธรรมก็เป็นชันทะฝไฟธรรมที่เป็นทรหันหมอก็มือหมายความว่าฝไฟธรรมหมายความว่าความจริงความดีงามใช่ไหมดังนั้นในแง่ของฝไฟธรรมที่เป็นทรหันหมอธรรมะนี่ก็หมายถึงไฟรู้คืออยากจะรู้ความจริงที่เรียกว่าธรรมะก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็ไฟธรรมะในความหมายว่าไฟดีฝ่ายอยากให้สิ่งทั้งหลายมันดีก็ไฟรู้และฝ่ายดี แล้วทีนี้ก็ต่อมาก็เพราะอยากทําให้มันดีก็เลยเป็นฝ่ายทํำทอสละ อ, อมัมรมนั้นฉันท่าท่านก็นแปลว่ากัตุกรรมยตาแปลว่าความปรารถนาจะทําก็เป็นแรงสําคัญที่จะทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าเรื่องนี้ได้พูดมามากแล้วก็ขอผ่านนะถ้ามีข้อสงสัยก็ย้อนถามอีกได้นี่ก็ขอผ่านไปนะตอนนี้เป็นฉันท่มีแรงและมีตัวความอยากความปรารถนาที่เป็นกุศลก็ พร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาชีวิตให้ก้าวต่อไปนี่ก็มีตัวอีกตัวหนึ่งมามาช่วยเสริมตัวที่สี่เรียกว่าอัตสัมปทาแปลว่าการทำตนให้ถึงพร้อมการทำตนให้ถึงพร้อมนี่ก็หมายความจะทำให้ตนเนี่ยมันสมบูรณ์เต็มเปี่ยมที่ว่าทำให้สมบูรณ์ก็ตึงต้องพัฒนาให้เต็มที่ก็คือ จิตสำนึกที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มที่ถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าจะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มที่เพระธรรมพุทธศาสนาก็สอนเราไว้แล้วบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้ศึกษาได้เรามีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพราะนั้นอาจารสัมปทาก็เท่ากับมาใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกตนเองได้เนี่ยก็จะมาฝึกตนเองเนี่ยให้พัฒนาจนสมบูรณ์เลย ในการที่จะพัฒนาสมบูรณ์ก็ฝึกตนเองต้องมีจิตสำนึกอยู่เสมอเมื่อเราสำนึกในภาวะในธรรมชาติของคนที่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้องพัฒนาพัฒนาได้เราก็เลยมีความนึกระลึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องพัฒนาตัวจะต้องพัฒนาตัวพอเราเระลึกถึงธรรมชาติของเราอย่างนี้อยู่เสมอระลึกอยู่เรื่อยๆก็เกิดเป็นความสานึกอย่างที่ว่าในหน้าที่ของตัวเอง เป็นความอยากความปรารถนาตลอดเวลาที่ว่าพยายามหาทางทำให้ตัวเองนี้พัฒนาให้สมบูรณ์พอจิตอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันจะออกผลมาในการดาเนินชีวิตทีเดียวแหละก็คือว่าอยากจะพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอยู่เสมอเนเห็นว่าชีวิตที่ดีงามก็เกิดจากการฝึกฝนพัฒนาทีนี้พอมาเกิดจิตสานึกนี้ขึ้นมามันก็ไปสนับสนุนความอยากในการทาสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้น ไปเจอสถานการณ์อะไรก็ไอตัวนี้มันคอยเร่าคอยเตือนอยู่เรื่อยว่าเออทำไงจะได้พัฒนาตัวเราก็มองสิ่งต่างๆในแะง่ที่ว่าจะมาช่วยตัวเองได้พัฒนานะไปเจอประสบการณ์อะไรขึ้นมาอ้อก็จะเอาประโยชน์จากมันในแะงนะ่มาฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปเจอสิ่งที่ยากก็ยิ่งชอบใจว่าโอ้นี่จะทำให้เราไดฝึกตัวเองมากนะคนเรานี่พอมันเจออะไรมันอยากจะฝึกตัวเอง มันก็มองเป็นเครื่องมือฝึกตนเองไปหมดทีนี้ถ้าเป็นเรื่องง่ายๆเราได้ทำอะไรแต่ลายน้อยการทำได้น้อยนี่มันก็พัฒนาตัวเองน้อยสิ่งที่ง่ายมันก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองพอไปเจอสิ่งที่ยากเข้ามันก็เกิดเตือนจิตสำนึกขึ้นมาว่าโอ้นี่เป็นโอกาสเราจะได้พัฒนาตัวเองมากได้ฝึกตัวเองมากอะไรที่มันยากเวลาเราทานี่เราจะได้ฝึกปรือความสามารถได้เยอะ ไปเจอปัญหาที่ยากเราจะใช้ปัญญาคบคิดหาทางแก้ไขมากมันก็ยิ่งในพัฒนากันใหญ่นะพัฒนาความสามารถในการทำในการมีฝีมือในการจัดเจนพัฒนาปัญญาในการคิดค้นพิจนารณาหาทางแก้ปัญหาพัฒนากันใหญ่ไปไปมาคนที่มีจิตสานึกในการฝึกตนนี้ <c oughs> ก็เลยชอบสิ่งที่ยากและชอบปัญหาอย่างที่เคยพูดบ่อยๆแบอบกว่า คติของคนที่ฝึกตนเองนี้มีจิตสํานึกในอัตตสัมปทาเนี่ยจะบอกว่ายิ่งยากยิ่งใดมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นแกเจอสิ่งที่ยากแกก็ชอบใจสิเนีนี่คนที่ไม่มีจิตสํานึกในการฝึกตนไปเจออะไรต้องทํานิดเดียวก็ถอยละมันรู้สึกเป็นทุกข์อันนี้ถ้าจําเป็นต้องทําแกก็จะเกิดความทุกข์มากเพราะว่า หนึ่งก็ไม่เต็มใจทําเมื่อไม่เต็มใจทําจําเป็นต้องทําก็จําใจทําก็ฝืนใจก็ทําได้ความทุกข์นะไม่ตั้งใจทํางานก็ไม่ได้ผลอีกเสียหมดทุกอย่างทีนี้ฝ่ายคนที่มีจิตสํานึกในการฝึกตนนี่พอไปเจอสิ่งที่ต้องทําเข้ามามันชอบใจและ ว, ว่าจะได้เป็นโอกาสในการฝึกตนใจมันเอาด้วยแล้วมันมีความยินดีเลยเต็มใจเลย พอเต็มใจทำได้ความสุขตั้งใจทำก็ได้ผลดีด้วยตนเองก็ได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองงานของส่วนรวมงานที่ทำนั้นก็ได้ผลสาเร็จด้วยดีด้วยดังนั้นถ้าเด็กพัฒนาอัตตสัมปทานนี้ขึ้นมาได้แล้วครัวใจก็ตามพ่อแม่ก็ตามสบายใจเลยไม่ต้องกลัวละเด็กพัฒนาแน่นอน อันนั้นถ้าได้ยิงสองตัวนี้สบายแน่ได้ฉันท์ถ้าสัมปทาเด็กก็อยากใฝ่รู้ใฝ่ดีใฝ่สร้างสรรค์อยากทําแก่ไม่ไปโมหลงระเริงกับไอ้เรื่องสิ่งเสพบริโภคแห ล, ละแล้วแก่ก็ไม่ไปติดสิ่งเสพติดได้ง่ายไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องเหล่านั้นแกจะมาหาความสุขจากการเรียนรู้จากการฝึกฝนตนจากการสร้างสรรค์ แล้วก็จากการที่ได้พัฒนาตัวด้วยอัตตสัมปทานเนี่ยนั่นสบายเลยพอนี้ก็อัตตสัมปทาก็มาช่วยทําให้ได้ความสุขยิ่งขึ้นสิเ mm hmm. มืม่อกีก้ฉันทาก็ได้สุขจากการเรียนรู้และการสร้างสรรค์และการทํางานทําการอยู่แล้วพอได้อัตตสัมปทามามันยิ่งสุขจากสิ่งที่ยากด้วยน่ยมันขึ้นมันขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะก้าอีกขั้นหนึ่งไนอะ้ฉันทาได้มันแค่ว่าสุขจากการเรียนรู้และสุขจากการทํางานสร้างสรรค์ แต่ว่าไอ้เจ้าอัตถสัมปทานี่ทําให้สุขจากสิ่งที่ยากสิ่งที่เป็นปัญหาด้วยนเนี่พอเพิ่มสุขเข้าไปแล้วก็เพิ่มความสําเร็จด้วยนี่อัตถสัมปทาก็ไปอันว่าต้องสร้างขึ้นมาละจิตสํานึกในการฝึกตนหรือการที่ตั้งใจจะพัฒนาสเกยภาพของตนให้เต็มเปี่ยมก็คิดว่าพอแลยนะอัตถสัมปทานี่เป็นศัพท์ที่โดยทั่วไปจะไม่ได้ยินกันเลยเพราะเป็นสับที่ใช้น้อยในพระไตรปิฎก มาอยู่ในชุดเนี้ยในชุดของบุพนิมิตแห่งมรรคเประการก็ขอผ่านไปนี้ไปข้อที่5แล้วนะข้อที่หก็เรียกว่าทิฏฐิสัมปทาแปลความถึงพร้อมได้ทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้ไม่ใช่ทิฏฐิที่หมายความว่าความดื้อรั้นอะไรต่งตางๆนะหรือความติดในความเห็นส่วนตัวทิฏฐิทิฏฐินี้ถ้ามาตัวเดียวมันเป็นความหมายไม่ดีหมายถึงความเห็นผิด แต่ถ้ามากับศัพท์อื่นอย่างมากับสัมปทานเนี่ยมันจะหมายถึงความเห็นความเชื่อแนวความคิดที่ดีงามนี่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นความเชื่อแนวความคิดที่ดีงามเป็นเหตุเป็นผลประกอบด้วยปัญญาหรือเป็นทางแห่งความเจริญปัญญานี่คนเราเนี่ยถ้ามีทิฏฐิผิดก็จะเกิดปัญหาทันทีเช่นไปเชื่อถือยึดถือแนวความคิดที่ มันไม่เกื้อกูลไม่สร้างสรรค์ไอพวกทิฏฐิเหล่านี้ก็เช่นเชื่อว่าเอา้าอะไรแต่อะไรก็เป็นไปเพราะโชคเป็นไปตามบังเอิญบทมันจะเป็นกับเป็นเองนะสมมติว่าเชื่ออย่างนี้นะมีคาวามคิดอย่างนี้แล้วแกก็ไม่พัฒนาตัวเองหละเพราะว่าอะไรแต่อะไรถึงครามมันกับเป็นเองใช่ไหมแล้วแต่โชคแล้วจะไปมี ไอแนวคิดแนวคิดทัศน์ห้าอย่างนี้มันจะไปเกื้อหนุนอะไรในการพัฒนาตัวเองมันไม่มีหรอกมันก็รอเวลาบทจะดีก็ดีเองไปอันว่าทิฏฐิอย่างนี้ไม่เอือ้อต่อการพัฒนาชีวิตหรือเชื่อว่าอะไรจะเป็นไงก็แล้วแต่อํานาจดนบันดาลของเท พ, พเจ้าสิ่งลึกลับอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ทําอะไรก็ไม่มีผลสิใช่ไหมมันแล้วแต่อํานาจดนบรรดาลก็ปล่อยตัวหรือว่าต้องรอไปรอคอยไปอ้อนวอน ขออำนาจดนบันดาลของเทพเจ้าเป็นตน้นอย่างนี้มันก็ไม่พัฒนาเหมือนกันนี้ถ้าเชื่อตามหลักที่ถูกต้องก็คืออย่างน้อยให้มันเป็นความเชื่อความถือหลักการที่มันเอื้อต่อการที่แสวงหาปัญญาก็เช่นว่าถือหลักการว่าเอออะไรต่ออะไรมันก็เป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันนี่พอ ถือหลักการว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่มันเอื้อทันทีต่อการแสวงปัญญาพอเราไปเจออะไรปับ๊บเจอประสบการณ์เจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็โอ้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอบอกว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็ต้องค้นหาเหตุปัจจัยแล้วสินีมันก็เป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวจุดเริ่มให้เราเนี่ยแสวงปัญญาทันทีฉะนั้นความเชื่อที่ถูกต้องนี่เป็นประโยชน์มาก เอาเป็นว่าเป็นความเชื่อแนวความคิดหลักการที่มันเอื้อต่อการเพิ่มพูนพัฒนาปัญญาหรือในแง่ของเพิ่มพูนกุศลธรรมความดีงามต่างๆ น, ะนี่ถ้าไปเชื่อผิดๆมันมีเยอะอย่างค่านิยมของสังคมเรื่องค่านิยมของสังคมทัศนคติอะไรพวกนี้เป็นเรื่องทิฏฐิ ท, ทั้งสิน้นอย่างค่านิยมกโกเคว่าจะต้องมีสิ่งเสพ นะจะต้องกินอาหารให้โกะอะไรกินอาหารอร่อยเป็นของนอกแล้วจะโกะเนี่ยค่านิยมเหล่านี้ก็เป็นเรื่องทิฏฐิที่ผิดไม่ประกอบด้วยปัญญาเลยมีปัญญาที่ไหนอ่ะมันเป็นศัพต์ว่าค่านิยมที่สังคมได้มาหล่อหลอมแล้วก็เชื่อถือกันไปมันไม่มีปัญญาอยู่ด้วยถ้ามีปัญญามันก็ต้องรู้ความมุ่งหมายว่าเออเรากินเพื่ออะไรกินแล้วมาเกิดประโยชน์อะไรทําให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีอย่างนี้แสดงว่ามีปัญญา อันนี้ถ้าเราไปมีค่านิยมตามกระแสสังคมอย่างนั้นชีวิตของเราก็ไม่พัฒนาก็โย่ตกอยู่ใต้อํานาจครอบงําของกระแสค่านิยมนั้นก็จบกันดัง น, นั้นจึงเน้นในข้อที่5นี้ว่าต้องมีทิฏฐิความเชื่อในความคิดการยึดถือหลักการค่านิยมที่ถูกต้องประกอบด้วยปัญญาและเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตทําให้เจริญปัญญายิ่งขึ้นอย่างที่ว่า พอเชื่อในหลักการในความเป็นไปตามเหตุปัจจัยปั๊บเท่านั้นแหละเจออะไรขึ้นค้นหาเหตุปัจจัยทันทีนั้ น, น, นทิฏฐินี้ก็สำคัญอย่างน้อยก็ให้ได้ทิฏฐิอันนี้ไว้ก่อนต่อไปก็พัฒนาขึ้นไปทิฏฐินี้ก็จะประนีตก็เป็นสมะทิฏฐินั่นเองก็เห็นจะพอสมควรนะเรื่องทิฏฐินี่ก็ผ่านไปได้ก็ไปข้อที่หกเลย ข้อทก็เรียกว่าอปมาทสัมปทาแปลความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือการที่เป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติเคยอธิบายไปแล้วนะการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติคือมีสติคอยระลึกคอยนึกถึงสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในขณะ น, นี้ก็จับเอามา จับเอามาก็คือไประลึกนั้นลึกนึกนั่นเองนึกแล้วลึกก็คือจับเอาสิ่งที่ปรากฏนั้นขึ้นมาเอามาไงเอามาให้ปัญญาพิจารณาพิจารณาว่าเออไอสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้มันเป็นไปนในทางดีหรือทางร้ายมีผลกระทบต่อชีวิตของเราไหมทําให้เกิดความเสื่อมหรือทําให้เกิดความเจริญถ้ามันจะทําให้เกิดความเสื่อมปัญญาพิจารณาเสร็จแล้วก็จะได้รีบแก้ไขป้องกัน ถ้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปนี้มันเป็นโอกาสที่จะทำให้เรานี่ได้ดับได้รับประโยชน์หรือได้ทำการพัฒนาเอามาสร้างสรรได้ก็รีบใช้โอกาสนั้นเสียปัญญาก็จะให้ไปสืบค้นหาเหตุปัจจัยแล้วมาสร้างสรรสติก็คือจับเรื่องราวนั้นเอามาให้ปัญญาพิจารณาแต่นี้การที่ว่ามีสติตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ปล่อยเวลาให้ปล่อยผ่านไปเปล่าไม่เลื่อนลอยไม่เคว้งคว้างเนี่ยจิตใจที่ตื่นตัวฐานสถานการณ์อย่างนี้ก็คือเป็นความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็เลยมีความสำคัญอย่างยิ่งก็ไปการตระหนักในการที่สิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนี้จะโยงไปหาหลักเรื่องอนิจจงคือว่าเรามีจิตสำนึกที่มองถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ว่าสิ่งทั้งหลายนี่ไม่คงที่นะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับปลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้แต่ชีวิตของเราเพราะนั้นในเมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่ชีวิตของเราเนี่ยเราจะมานอนใจอยู่ไม่ได้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะนั้นเราจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอความเปลี่ยนแปลงนี้ก็มากระ ต, ตุ้นเตือนใจเราเนีให้ไม่นิ่งนอนใจแล้วก็ให้เร่งรัดให้คอยมีสติ จับและลึกนึกสิ่งต่างๆเอามาในการที่ป้องกันความเสื่อมเสียและในการที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นอันนี้เรื่องความเปลี่ยนแปลงก็ไปสัมพันธ์กับเวลาอีกเพราะเราลึกถึงความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังทุกขังก็เตือนใจเราให้ไม่ประมาทแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนั้นอาศัยการเวลาเมื่อการเวลาผ่านไปสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลง เพราะนั้นคนที่มีความไม่ประมาทก็มองเห็นความสําคัญของการเวลาว่าโอ้เวลาผ่านไปนี้สิ่งทั้งหลายมันไม่ได้หยุดนิ่งนะชีวิตของเราก็ผ่านไปจากเด็กก็จะหนุ่มสาวแล้วจะแก่นะแล้วก็สิ่งทั้งหลายรอบตัวก็เปลี่ยนแปลงไปพ่อแม่พี่น้องของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเราจะมาโนวนจอยอยู่ไม่ได้เราจะมาหลงมวเมาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นรีบทําการเพราะฉนั้นก็เห็นความสําคัญของการเวลา การเวลาผ่านไปคนที่มีความไม่ประมาทนี่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสเตือนเราอยู่เสมอเรื่องของอนิจจังเรื่องของการเวลาจะให้โยมมหาความไม่ประมาทว่าอย่างในคาถาพุทธภาษิตไม่ใช่คาถาละเป็นพุทธพจน์เป็นปัจฉิมว่าจาระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานก็ตรัสว่าวัฏธรมมาสังขาราอปมาเทนะสัมปาเดตะแปลว่า สังขาร mm hmm. ทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมท่อนแรกวิยะธมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปนั่นคืออนิจจงใช่ไหมท่านท่อนที่สองก็บอกอปมาเทนะสัมปาเทธาเพราะฉะนั้นจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่แหละอนิจจงกับความไม่ประมาทสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงมันมันไม่คงอยู่มันสลายเพราะฉะนั้นเราอย่ามัวนอนใจนะไม่ประมาทนะ ในพระพุทธเจ้าก็จะตรัสเรื่องชีวิตผ่านไปเวลาแต่ละวันมันผ่านไปให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็มีคาถาในพุทธศาสนาที่สอนเรื่องนี้ไว้เยอะที่ผมจะยกมาบ่อยๆก็ยังคาถาที่บอกว่าอะโมคังทิวสังกยิราเปนา็นะภูเกณฑว่าแปล ว, ว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างนี่คือความเป็นอนิจจังสิ่งทั้งหลายเปลีป่ยนแปลงแล้วก็ ให้เห็นความสําคัญของการเวลาใช่ไหมแต่ละวันนี่สําคัญมากอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างแล้วก็ไปแจกแจงเอาซีว่าได้อะไรบ้างได้วัตถุได้เงินทองได้งานได้การได้ทําประโยชน์ได้ปัญญาได้ความรู้ได้ศึกษาเล่าเรียนได้จิตใจที่ดีงามได้พัฒนาจิตใจให้มีความสุขเบิกบานผ่องใสยิ่งขึ้นได้อะไรแต่ไรก็ได้ให้เป็นดีงามจนกระทั่งได้จากทรัพย์ที่เป็นวัตถุภายนอกมาจนได้อริยทรัพย์ภายใน นั้นก็พระพุทธเจ้าก็ตัดสัดตือนเราอยู่เสมอแม้แต่ในการที่ว่ามาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาก็ต้องเร่งด้วยความไม่ประมาทอย่างที่บอกว่าคโนโวมาปัจขาแม้แต่ขณะเดียวก็อย่าให้ล่วงผ่านท่านไปเปล่านะนี่นี่ถ้าปฏิบัติกันจนถึงเต็มที่แล้วความไม่ประมาทเนี่จะมาถึงขั้นเนี้คือขั้นที่แม้แต่ขณะเดียวอย่าให้เสียเปล่าก็เพราะนั้นคตินี้จะเอาระดับไหนก็นแล้วแต่นะฮะถ้าว่า เอาขั้นหยาบก็แต่ละวันบ เ, เวลาแต่ละวันอยาให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างนี่ถ้าเอาขั้นละเอียดก็ต้องอย่างที่ว่าเนี่ยต้องถึงขั้นที่ว่าแต่ละขณะอย่าให้เสียเปล่าเลยถ้าทำได้ขั้นนี้นี่เก่งมากนะขั้นที่เตรียมตัดสรู้ได้แล้วนะฮะ เ, เพราะว่าท่านผู้ปฏิบัติขั้นสูงนี้จะมีสติกํากับทุกขณะเลยนะคือไม่ให้ช่องแก่อกุศลเข้ามา จิตจะทันต่อความเป็นไปตลอดทุกเวลาอย่างสติปัฏฐานนี่สติทันต่ออารมณ์ปัจจุบันทุกขณะเลยเพราะนั้นทุกขณะนี่ก็ไม่เสียเลยไม่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทนี่เป็นตัวหลักประกันที่จะทําให้ชีวิตนี้เจริญงอก ง, งามไอ้สีหข้อที่ว่ามาทั้งหมดนั้น มันก็มีความดีมันมีประโยชน์ในตัวเองแต่ถ้าลงประมาทสัอย่างหนึ่งก็จบมันก็เลยไม่เดินหน้าใช่ไหไอ้ความไม่ประมาทเป็นตัวกระตุ้นให้เจ้าตัวที่ผ่านมาทุกตัวทำงานนั่นเป็นตัวกระตุ้นคอยเร่งเร้าพระพุทธเจ้าจึงตัดบอกว่าความไม่ประมาทนั้นเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนั่นก็เทียบกับรอยเท้าสัตว์อื่นที่เป็นสัตว์บกไม่มีรอยเท้าสัตว์ใดใหญ่กว่า รวมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดก็หมายความว่ารอยเท้าช้างนี่ครอบคลุมรอยเท้าอื่นได้หมดเหมือนกับความไม่ประมาทเนี่ยก็ครอบคลุมธรรมะอื่นได้หมดครอบคลุมอย่างไรครอบคลุมก็คือว่าทำให้ธรรมะข้ออื่นเนี่ยเกิดผลหรือทาหน้าที่ของมันถ้าลองประมาทซะอย่างเดียวธรรมะมีกี่ข้อก็นอนหลับหมดนะอย่างที่เคยพูดบ่อยๆบอกว่าธรรมะเรียนมากี่ข้อ ประมาทซะอย่างหนึ่งก็อยู่ในตู้คัมภีร์นะไม่ได้ออกมาใช้ประโยชน์นะรู้ว่าดีสามารถบรรยายว่าธรรมะขอดด้อนิ้ดียังไงดียังไงแต่ประมาทซะอย่างเดียวมันก็นอนเฉยทีนี้พอไม่ประมาทธรรมะทุกข้อนี้ทำหน้าที่หมดนะแม้แต่คนที่เรียนรู้น้อยเรียนรู้ธรรมะสักข้อสองข้อแต่เป็นคนไม่ประมาทธรรมะที่เรียนสองข้อก็ได้ใช้ประโยชน์หมด เรียนมาสามข้อสมข้อก็จะใช้ประโยชน์หมดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ประมาทนี้แม้เรียนรู้น้อยก็เดินหน้าไปได้ใช่ไหมได้ประโยชน์คนที่เรียนรู้มากเอามาพูดธรรมะมากมายแต่ตกอยู่ในความประมาทธรรมะเหล่านั้นนอนหลับหมดไม่ได้ประโยชน์อยู่ในตู้เฉยๆอังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเรื่องความไม่ประมาทนี้ถ้าเราไปเทียบก็เหมือนกับระหว่างเต่ากับกระต่ายไอ้เจ้ากระต่ายนั่นประมาท ตกอยู่ในความประมาทว่าไอ้เจ้าเต่านี่มันเดินช้ า, าเราวิ่งเดียวเดียวก็ถึงหลักชัยแล้วไอ้เจ้าเต่านี่คลานไปเถอะอีกนานเพราะนั้นนอนซะก่อนก็ได้ันะนอนก็ได้ตอนที่วันนอนก็ได้ก็คือปล่อยประละเลยในทอดทิ้งหนาทีก็นอนหลับเพลินตื่นมาอีกทีปรากฏว่าเต่าไปถึงหลักแล้วเลยแพ้เลยใช่ไห อันนี้ความประมาทกนะ็คือการละเลยเพิกเฉยปล่อยปละล ะ, ละทิ้งนะไม่เอาใจใส่ไม่เขมิข้มันไม่กระตือรือร้นเฉยชาผัดเพี้ยนนะนี่ผัดเพี้ยนนี่เจ้ากระตา่ายนี่ผัดเพี้ยนแหลนะผัดเพี้ยนนี่เป็นข้อสําคัญของคนประมาททําให้เสียกาศหมดดังนั้นความไม่ประมาทกับความประมาทนี่ในภาษาไทยได้มีความหมายเพี้ยนไปนิดหน่อย อย่างกรณีของกระต่ายเนี่ยประมาทเนี่ยก็หมายถึงความที่ผัดเพียนละเลยแต่เหตุให้ไม่ประมาทขอภัยเหตุที่ทำให้กระต่ายประมาทก็คือมันไป น, นึกว่าไอ้เจ้าเต่ามันเดินช้าใช่ต่อมาภาษาไทยคำ ว, ว่าประมาทเนี่ยกลายเป็นมีความหมายเป็นดูถูกเลยถูกหมนี่คือเจ้ากระต่ายเนี่ยดูถูกเต่าเรียกว่าประมาทเต่าถูกไหม แต่ที่จริงการดูถูกเต่าเป็นเหตุให้เจ้ากระต่ายประมาทนีประมาทนี่คือภาวะที่ว่าปล่อยทอดทิง้งละเลยผัดเพี้ยนไม่เร่งรัดตัวเองไอตอนประมาทมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเหตุที่เจ้ากระต่ายประมาทคือผัดเพี้ยนมวนนอนพลนอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะไปดูถูกกระตา่ายไอเต่าไปดูถูกเต่าว่ามันอึดอาดช้า ต่อมาภาษาไทยกลายเป็นว่าตัวความประมาทกลายเป็นดูถูกกลายเป็นว่าเจ้ากระต่ายดูถูกเต่าประมาทเต่าว่ามันช้า <c oughs> ใช่ไหมนี่ภาษาไทยมันเพี้ยนไปอย่างเงี้ยคือมันก็มีเหตุผลที่ทําไมจึงเพี้ยนเพราะฉะนั้นการแยกองค์ธรรมให้ชัดนี่จะต้องแยกแต่ละขณะเลยเป็นเหตุปัจจัยแก่กั น, กนอย่างเพราะกระต่าย ดูถูกตังใช่ไหก็เลยเป็นเหตุให้เจ้ากระต่ายนี้ประมาทนะต้องสองตอนเหมือนอย่างตอนที่บอกว่าเพราะมานะอยากเป็นใหญ่ก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้เพียนพยายามต้องพูดอย่างนี้ใช่ภาษาไทยมันเพี้ยนไปกลายเป็นมานะเพียรพยายามไปเลยนะใช่เนี่ยจะเห็นว่าภาษาไทยนี่มันมีเหตุผลที่ทําให้เพี้ยนได้ คือพูดไปพูดมาแล้วมันสับสนปนเปกับไปแยกองค์ธรรมไม่ออกคนละตอนกันอ้าวแล้วครับเป็นอันว่าความไม่ประมาทนี่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งประมาท ต, ตรงข้ามกับไม่ประมาทประมาทก็คืออย่างที่ว่าไปแล้วละเลยทอดทิ้งไม่ใส่ใจผัดเพี้ยนเพลิพลน แต่กระทั่งไปถ้าเลยไปอาจจะเป็นมัวเมานะมัวเมาก็จะมีสับคายอีกต่างหากแต่พวกนี้ก็อยู่ในเรื่องประมาททั้งสิ้นหนะลงละเลงปล่อยตัวเนะพอมีความสุขแล้วก็เพลินอยู่กับความสุขนั้นอะไรแต่อะไรก็ปล่อยปละแล้วเลยทอดทิ้งไม่ใส่ใจสิ่งที่ควรจะทําไม่ทำนะอันนี้ในทางลบก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเจ้าความไม่ประมาทจะมาเตือนอย่าไป พลาดนะเนะจะะ้าความไม่ประมาทก็จะทําให้ไม่พลาดนะอย่าไปปล่อยตัวนะนะอย่าไปพลังลงไปนะอย่าไปถลําไปนะนี่โรคประมาทเท่านั้นไม่ประมาทก็คือไม่ถล่มไม่พลาดไม่ปล่อยตัวนะทําให้ไม่เสื่อมทีนี้ฝ่ายบวกก็คือว่าโอกาสเกิดขึ้นแล้วต้องเร่งรัดนะนะต้องตั้งใจนะเร่งรัดเอาใจใส่ทำ นะอย่ามัวรีรออยูนะ่อย่างนี้ก็เป็นฝ่ายดีก็คือเร่งรัดตัวเองทำให้ได้ประโยชน์จากสถานการณ์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นมาคนะวามไม่ประมาทก็เลยเป็นตัวสำคัญเนะี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสองค์ธรรมที่ดีมาเยอะแยะแล้วนะเริ่มตั้งแต่ ก, การรู้จักคบหากัลยาณมิตรไปหาหนังสือดีๆอ่านนะ ไปรู้จักไปหาแหล่งความรู้ที่ดีๆไปหารายการทีวีดีๆดูดดนะีไปหาครูอาจารย์ที่ท่านมีความรู้แล้วไปปรึกษาท่านอะไรต่างๆนะแล้วก็รู้จักมีชีวิตดําเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวิ น, นัยคือมีศีลตั้งอยู่ในวิ น, นัยนะีแล้วก็มีชั้นทะมีพลังในใจที่ปรารถนาทําสิ่งที่ดีงามฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสรรค์ เหลอ่อจนกระทั่งมีจิตสำนึกในการฝึกตนนะใช้หลักของทิฏฐิที่ดีงามมีทัศนคติที่เกื้อกูลต่อความเจริญงอกงามของชีวิตในการพัฒนาปัญญาเลยทั้งหมดแต่ทุกอันนั้นถ้าประมาทซะอย่างเดียวก็จบนะเพราะฉะนั้นต้องมีความไม่ประมาทเป็นตัวกระตุน้นก็เลยมาตรัดความไม่ประมาทไว้เป็นตัวที่6เพื่อจะได้เป็นเครื่องประกันว่า จะพัฒนาชีวิตได้แน่นอนนะคความไม่ประมาทก็น่าจะจบได้นี่อันนี้ก็ขอแทรกนิดหนึ่งเรื่องความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทเนี่ยเป็นธรรมที่ใหญ่มากไม่ได้อยู่เฉพาะในชุดของบุพนิมิตแห่งมรคนั้นน่ะมันเป็นธรรมะที่ต้องใช้ตลอดที่พระ เ, เจ้าเน้นอยู่เสมอตั้งแต่ ในการประกาศธรรมก็ตรัสอย่างที่ว่าเหมือนรอยเท้าช้างคลุมรอยเท้าหมดทอื่นไว้แล้วก็จนกระทั่งปรินิพานก็ตรัสเป็นปัจฉิมวาจานะแสดงว่าเน้นความสําคัญขับเรื่องนี้ทีนี้ความสําคัญนี้ก็จะมาปรากฏตอนที่ว่าในชีวิตและอารยธรรมของมนุษย์ในชีวิตมนุษย์ถ้าเราประมาทซะอย่างเดียวนี้วันเวลาผ่านไปเปล่าชีวิตทั้งชีวิตจะจะไม่ได้อะไรเลย เสียหมดอี น, นี้อารยธรรมมนุษย์สังคมนมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้ามนุษย์ประมาทซะแล้วมันก็จะนำมาซึ่งความเสื่อมหรือแม้แต่เจริญแล้วก็จะกลับเสื่อมแล้วความประมาทนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้มนุษย์ต้องตกอยู่ในวงจรแห่งความเจริญและความเสื่อมเรื่อยไปเรื่องนี้ดูเหมือนจะพูดมาแล้วใช่ไหมฮะพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดยืดยาวอีกก็ขอย้ําแต่เพียงว่า ความไม่ประมาทนี่จะเป็นตัวประกันที่ช่วยให้อารยธรรมมนุษย์นี้หรือสังคมมนุษย์นี้จเจริญแล้วสามารถที่จะไม่เสื่อมได้แล้วก็ได้เคยให้ปริศนาว่าพระพุทธเจ้าจัดหลักอนิจจังเป็นความจริงของธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ พระพุทธเจ้ามาตรัสเรื่องความไม่ประมาทเช่นหลักอปิริหานิยธรรมว่าถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วจะมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมก็เลยทําให้ดูคล้ายๆเอานี่พระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมมขัดกันนี่เรื่องอ น, นิจจังมาเอาถ้าอ น, นิจจังก็จเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมสิออันนี้ทําไมมาตรัสบอกว่าถ้ามีความไม่ประมาทแล้วมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมหวังได้แต่ความจเจริญอย่างเดียวก็เคยตอบแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ขัดกันอย่างไร ก็เอามาย้ำซ้อีกทีหนึ่งว่าที่ว่าอ น, นิจจังเกิดแล้วต้องดับนีอ่อันนี้ก็จริงเป็นความจริงของกฎธรรมชาติทีนี้ความไม่ประมาทว่าถ้าไม่ประมาทซะอย่างมีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติของมนุษย์เฮอ อ, อันนี้ไปไปขัดกับอนิจจังไหมไม่ขัดไม่ขัดเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ในการที่ว่าเจริญแล้วเสื่อมหรือเจริญแล้วเจริญต่อไปหรือเสื่อมแล้วจะเสื่อมต่อไปหรือเสื่อมแล้วกลับเป็นเจริญนั้นก็คือเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนั้นที่ว่ามีแต่เจริญไม่มีเสื่อมก็หมายความว่ามันก็เปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญเรื่อยไปใช่ไหมเท่านั้นเองก็จบไม่ได้มีอะไรขัดกันนันนั้นก็การที่ว่าไม่ประมาทก็คือการที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากอนิจจงนั่นเอง คนที่ไม่มีปัญญาก็ได้แต่ปล่อยตัวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายให้ปล่อยให้เหตุปัจจัยในทางภายนอกมันมาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นโดยที่ตัวเองไม่ได้เข้าไปเป็นปัจจัยร่วมด้วยมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่น่าปรารถนาะบ้างไม่น่าปรารถนาะบ้างเสื่อม บ, บ้างจเจริญบ้าง อันนี้พอมนุษย์เรามีปัญญาเรารู้เหตุปจัจจัยเรารู้ว่าไอ้สิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจัจจัยเราก็เลยไปศึกษาเหตุปจัจจัยแล้วเราก็ไปจัดการเอาตัวเราเข้าไปเป็นเหตุปัจจัยด้วยพร้อมทั้งไปหนุนเหตุปัจจัยที่ดีและไปป้องกันกําจัดเหตุปัจจัยให้เสื่อมเราก็เลยสามารถใช้อนิจจังให้เป็นประโยชน์ทําให้เหตุปัจจัยนี้เกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีงามที่เราเรียกว่าเป็นความเจริญ ดีต่อตัวเราต่อชีวิตและต่อสังคมมนุษย์นั่นก็เลยความไม่ประมาทนี้เป็นการรู้จักใช้ประโยชน์จากอนิจจังเอากฎอนิจจังของธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ปัญญาของมนุษย์โดยการเอาตัวมนุษย์ปัญญามนุษย์เข้าเป็นเหตุปัจจัยด้วยในกระบวนการเอากฎธรรมชาตินั้นก็เลยดีไปเลยนะอันนี้มนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันมักจะตกอยู่ใต้อานาจของกิเลสบุญชน ก็คือว่าพอจเจริญขึ้นมามีความสุขมีความสำเร็จดีงามแล้วก็จะหลงละเลงเพลิด เ, เพลิ น, ลนัวเมามันก็จะเกิดความเฉื่อยชามีความโน้มเอียงที่จะหยุดจะช้าลงจะเสพเสวยผลของการสร้างสรรค์ น, นั้นเมื่อมนุษย์มานอนเสพเสวยผลที่ตนสร้างขึ้นก็ไม่ทำต่อไป ก็จะต้องเกิดความเสื่อมเพราะฉะนั้นความสุขก็ตามความสําเร็จก็ตามความดีงามก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามนุษย์ไม่รู้จักใช้ใเป็นประโยชน์ปฏิบัติต่อมันไม่ถูกก็จะกลับเป็นปัจจัยความเสื่อมเพราะนั้นจึงมีหลักการได้ทั่วไปว่าความสุขความเจริญความสําเร็จและความดีงามที่ได้สร้างสารรค์ขึ้นมาจะเป็นหลุมดักมนุษย์ที่ มาสร้างสารรคความเจริญมาได้เนี่ยให้กลับตกอยู่ในวงจรแห่งความเสื่อมอีกครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นมนุษย์จะต้องไม่ตกอยู่ในหลุมดักอันนี้นะคือว่าความสุขความสําเร็จความดีงามที่ได้ทําขึ้นมาจะเป็นหลุมดักคนให้ประมาทให้มีความโน้มเอียงที่จะเสวยผลแล้วก็จะช่วยช้าลงแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็กลับเสื่อมเพราะฉะนั้นพอ สังคมจเจริญขึ้นชีวิตเราจเจริญขึ้นเนี่ยเราก็จะมีความเพลิดเพลินหลงแลวเลยอารยธรรมมนุษย์เช่นอารยธรรมโรมันเป็นต้นนะแต่ก่อนนี้เป็นคนป่าเถื่อนนะมีความเข้มแข็งรบเท่าไรก็ชนะหมดนะมีความเจริญก้าวหน้าพอพวกโรมันนี้รบชนะไปทั่วหมดก็เริ่มมีความประมาทมัวเมามีความมัวเมาสยบในกาม ในกามารมณ์ต่อมาอารยธรรมโรมาเนกเสื่อมแล้วก็แพ้กับบาเบเรียนคือแพ้กับพวกคนป่าเถื่อนดังนั้นอารยธรรมก็พินาศสังคมทุกสังคมก็มักจะเป็นอย่างเงี้ยยามที่มีความทุกข์ยากลําบากก็จะลุกขึ้นมาดิ้นรนขดขวายสร้างสรรค์ความเจริญพอมีความสําเร็จมีความสุขดีงามแล้วก็จะหลงละเลยเพลิดเพลินบัว เ, เ, เมาแล้วก็กลับเสื่อม อ น, นันต์มนุษย์ที่เป็นปุถุชนอยู่ใต้อำนาจกิเลสก็จะอยู่ใต้วงจร น, นี้ด้วยนะแล้วก็กลายเป็นว่ามนุษย์เหล่านี้ต้องอาศัยทุกบีบคั้นภผยคุกคามจึงจะลุกขึ้นดินลลนผลขวายเนะี่ะ น, นั้นก็จะเป็นหลักว่ามนุษย์ปุถุชนนั้นเมื่อทุกบีบคั้นภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดินลนลนขนขวายสร้างสรรค์ความเจริญขึ้นมาเมื่อ จเจริญขึ้นมาแล้วมีความสุขความร่างพร้อมก็โมเมาหลงระเริงประมาทก็กลับเสื่อมลงก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไป <c oughs> ก็นั้นก็เลยมนุษย์ก็ไม่พ้นวงจรของความจเจริญและความเสือ่อมแต่ถ้ามนุษย์ใช้หลักความไม่ประมาทแก่ก็ไม่ต้องอาศัยทุกบีบคั้นภายคุกคามแกก็ใช้สติปัญญาคอยตรวจตราคอยจับเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมามีความตื่นตัวตามสถานการณ์แล้ว เพราะความตื่นตัวทานสถานการณ์นั้นก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาสำรวจพิจารณาแล้วก็ใช้ปัญญาแก้ไขเหตุปจยยัจจัยความเสื่อมแล้วก็สร้างสารเหตุปจยยัจจัยความเจริญรักษาความเจริญไว้ได้จเจริญยิ่งขึ้นต่อไปนะนั้นความไม่ประมาทที่แท้ด้วยสติปัญญานี้จะทำให้มนุษย์สามารถรักษาความเจริญที่ทามาแล้ว รักษาความดีงามและความสุขความสำเร็จให้อยู่ได้และสามารถทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนเต็มเปี่ยมไพยบูรณ์นี่ก็คืออานิสงค์ความไม่ประมาทนะน่าจะแก้ไขได้ทั้งปัญหาชีวิตมนุษย์และก็อารยธรรมหรือสังคมมนุษย์ทั้งหมดคิดว่าเรื่องความไม่ประมาทก็พูดมาพอสมควรแก่เวลาก็จะยุติลงเท่านี้นะ ส่วนข้อสุดท้ายข้อเจ็ดเรื่องโยนิสมาราศิการสัมปทาถึงพร้อมด้ความรู้จักคิดพิจารณาหรือว่าการทำในใจเดียวแยบขายอันนี้ได้พูดไปเยอะแล้วเพราะนั้นก็คงจะพอนะก็จบและเจ็ดข้อไว้พรุ่งนี้ก็สรุปสะอีกทีหนึ่งเจ็ดข้อพูดถึงแง่คิดบางอย่างที่ควรจะได้เข้าใจแล้วก็ไปอ่านจบเรื่องบุพนิมิตแห่งมรร หรือรุ่งอรุณของการศึกษาเจ็ดประการนะบุพนิมิตมักเจ็ดส่วนมากมีองค์แปดใช่มเจ็ดข้อกับแปดข้อเจ้าเจ็ดตัวนี่แหละที่จะนำไปสู่มักได้มีอะไรสงสัยไหมฮะไม่ได้คุูอาจารย์เป็นไปได้าหมครับสังคมหนึ่งที่พัฒนาตัวเองถึงขั้นที่ว่ารู้เห็นเข้าใจนะสมมตินะครับ ความสันติความสงบเราท้ายที่สุดเนี่ยเมื่ออายธรรมเองเจริญแต่ว่าก็ไม่คิดที่จะลุกรามเป็นไปได้ถ้าจะถูกคนอื่นเนยลุกรามจนจนทาร้ายให้หายไปก็เป็นไปได้พระฉะนั้นจึงต้องไม่ประมาทเสมอไงจึงต้องระลึกต้องจับมานึกสํารวจเลยอริยธรรมอื่นหรือชาติอื่นเขาทําอะไรใช่ไอมนั้นประมาทไม่ได้ ตลอดเวลาเลยนี่แหละให้ตัวไม่ประมาทนี่แหละถ้ามันเพลินเมื่อไหร่ลรามีหวังเสร็จ่นนะั้นไม่คือนสภาพัาเาอยอมรับชะตากรรมเพราะว่าเาคิดว่าวมนไม่ต้องการต่อสู้เพราะการต่อสู้ก็เป็นสิ่งที่อ่าก็ยอมรับชะตากรรมก็ประมาทแล้วไงใช่ใช่ยอมรับชะตากรรมก็ประมาท แ, แล้วแล้วการต่อสู้ <c oughs> ขึ้นมาก็กลายเป็นการใช้ใช้กาลังใช้คนที่จะเอาชนะคนอื่นโดยไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องกำจัดเขานี่ต้องเก่งจริงๆไงใช่มแม่มันเก่งยอดสุดเลยนะ สามารถชนะได้โดยไม่ต้องไปทำร้ายเขาเนี่ยโอ้โหต้องพัฒนากันเต็มที่เลย น, น, นีพัฒนาในแง่ความสัมพันธ์พัฒนาในแง่ของการใช้ปัญญาใช่ไหมจนกระทั่งว่าไม่ต้องรบก็บชนะอะไรเงี้ยเนี่ยยอดสุดเลยหายากที่สุดนี่มนุษย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ประมาทในระดับบุคคลเนี่ยพอได้เพราะฉะนั้นเราจึงพบคนที่ว่าเกิดมาแล้วพัฒนาชีวิตจนกระทั่งว่าได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหม ความสมบูรณ์ของชีวิตมีได้เป็นบุคคลแต่ความสมบูรณ์ของสังคมเนี่ยไม่เคยปรากฏเชื่อไหมใช่ครับเพราะมนุษย์ไม่สามารถพัฒนาให้คนทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมนั้นมีความสมบูรณ์เพราะนั้นสังคมมันจึงทั้งทาน ท, ท, ที่สอนกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งทาน ท, ที่ตรนักรู้แต่มันทําไม่ได้เพราะไม่สามารถพัฒนามนุษย์ทุกคนให้เป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ใช่ไหมไม่ประมาทสิบคนแต่ไอเจ้า 5,000 คนมันประมาทถูกไหม มันไปรอดมาเนี่ยเนี่ยสังคมมันเป็นอย่างนี้นะฮะเราจะพูดกันให้ปากเปียกปากแฉะใช่ไหมให้พัฒนานะมันก็ได้ส่วนหนึ่งแหละที่ว่ามาเออจริงต้องไม่ประมาทแล้วก็ทำได้แต่อีกห้าพันคนเจออะไ ร, รล่อล้าหน่อยสุกซะหน่อยมันขี้เกียจแหละมันไม่เอาแหละใช่ไหมอ่า่ฉยชาแล้วแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นตัว เกณฑ์พิจารณาวัดผลการพัฒนามนุษย์สำหรับแต่ละคนนี่ก็รู้เลยถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ า, วามีคนเดียวที่จะไม่ประมาทคือพระอรหันต์เท่านั้นแม้แต่อนาคามียังประมาทเลยนะอ่าอย่าว่าแต่ปุถุชนเลยแม้แต่อริยบุคคลก็อย่างที่ยกตัวอย่างแล้วในพระสูตรเองที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระอริยบุคคลว่าพอบรรลุธรรมแม้อุตสาหขยันมันเพียนมาอย่างดีนะ พอได้บรรลุ ธ, ธรรมสูงว่าโอ้เราได้บรรลุ ธ, ธรรมวิเศษแล้วเกิดความยิน ด, ดีพอใจภูมิใจมีความน้มเอียงจะเชื่อชาลงทันทีเลยชักจะสวยผลใช่ไหมฮะอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เทอประมาทแล้วว่างั้นแต่นั้นนี่แหละคนที่สร้างสารรค์ความดีเนี่ยทาไงจะให้ไม่ประมาทได้อยู่เสมอยากมากต้องต้องให้ไม่ประมาทซ้อนอีกชั้นก็คือเตือนว่า แม้แต่พระเรยบุคคลท่านยังประมาทได้เลยนะถ้ายังไม่เป็นพระหลานเพราะฉะนั้นเราต้องสํานึกในเรื่องความไม่ประมาทให้มากใช่ไหมสังคมเนี่ยยากมากหือว่าสังคมอะไรยัต้องมีก็เป็นสภาพยูโทเปียเนีเพราะอ้าวก็จึงก็ก็เราพระพุทธศาสนายอมรับมนุษย์เป็นแต่เพียงว่าให้ตั้งเป้าไว้นะเราไม่ไปมัวเพลิดเพลินอยู่กับยูโทเปีย เราอยู่กับความเป็นจริงแต่เตือนกระตุ้นกันอยู่เสมอเราจึงมีสังคมกัลยาณมิตรเพื่อจะมาคอยกระตุ้นกันไงเพื่อให้อย่างน้อยคนจํานวนหนึ่งที่มีคุณภาพดีจะได้เป็นกัลยาณมิตรคอยกระตุ้นคนอื่นไม่ให้ไม่ประมาทแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งระบบวินัยวินัยนี่เป็นตัวกระตุ้นให้ไม่ประมาทวางระบบสังคมจัดระเบียบสังคมให้มันไม่ประมาทให้ได้นั <ś> ้นคนที่เป็นผู้บริหาร รับผิดชอบสังคมเป็นผู้ปกครองเนี่ยจะต้องพยายามตระหนักอันเนี้คือหาทางเอาวินัยมาใช้จัดระบบสังคมยังไงวางระเบียบกฎเกณฑ์กติกาอย่างไงเพื่อกระตุ้นคนให้ไม่ประมาทอยู่เสมอเอาวินัยนี้จะช่วยได้อย่างวินัยของพระ เ, เจ้านี่ก็เพื่อให้พระประมาทไม่ได้ใช่ไหมจะมานอนเพลินอยู่ไม่ได้ให้ไม่ประมาทอยู่เสมอต้องทํากิจทําหน้าที่ทํำอะไรๆวินัยมันเป็นตัวกติกามาช่วยหนิใช่ไหม ดังนั้นวินัยนี่ก็สำคัญมากแต่มนุษนย์ที่โดยโดยคุณสมบัติภายในมันยังไม่พร้อมมันคอจะประมาทก็อาศัยระบบสังคมนี้มากระตุ้นมันนะมันทําให้หยุดไม่ได้ใช่ไหมอนอนไม่ได้เศรษฐุไม่ได้หลงละเริงไม่ได้อย่างคนเราพอมีความสุขความพลั่งพร้อมมันมีความน้อมเองจะหลงละเลงใช่ไหม วินัยของพระมาเธอมีเกินนี่ไม่ได้วพางั้นก็ทําให้ประมาทไปได้ใช่ไหมมาหลงและเลงในวัตถุไม่ได้ก็ทําให้ต้องไม่ประมาทอยู่เสมอนั้นวินัยเนี่ยสำคัญมากในการที่สร้างระบบสังคมแห่งความไม่ประมาทขึ้นมาในขณะที่มนุษย์โดยคุณสมบัติภายในยังไม่พร้อมก็เอาระบบสังคมมาช่วยนี่ขณะนี้ถ้าเราใช้เกณฑ์เหล่านี้ไปพิจารณาสังคมเนี่ยมันกำลังไม่มีหลักอะไรทั้งสิน้นใช่ไหม มันจะเอาแต่ตามใจตัวมันก็ชอบละมาดขณะ น, นี้พอสังคมพรั่งพร้อมก็เป็นสังคมบริโภคพอเป็นสังคมบริโภคก็ขี้เกียจเสพสุขเหมือนอเมริกันนะปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมพอเป็นสังคมบริโภคผ่านพ้นยุคอุตสาหกรรมออกเป็น post industrial แล้วผ่านพน้นอุตสาหกรรมก็มาเป็น consumer society เป็นสังคมผู้บริโภคตอนนี้เกียดครานและ work ethic จริยธรรมในการทางานหมดเพราะนั้นะ เกิดการขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่จะค น, นรุ่นเก่าก็ด่าหรือว่างนั้นก็โอดครวนว่าคนรุ่นใหม่นี่ขี้เกียจสำรวยหยิบโยงใจส่อเปลาะบ้างไม่ตั้งใจทำงานทำงานไม่มีเวิร์อติหนังสือเยอะเลยบอกท้ามครวนบอกว่าเวลานี้ work e t h i c ติของอเมริกาหายไปไหนเยอะเลยหนังสือแบบนี้ นะเขียนเป็นเล่มโดยเฉพาะก็มีและที่ไปแทรกอยู่ในเล่มอื่นๆนี่ากวันนั้นผมไปพูดที่เชียงใหม่ก็พูดเรื่องนี้ด้วยเรื่องสังคมอเมริกันนี่มันไม่สามารถจะเป็นผู้นําในโลกปัจจุบันที่จะนํามนุษย์ไปสู่สันติสุขได้แล้วเพาเป็นสังคมที่ตกอยู่ในความประมาทนะก็เวลานี้มันก็แย่ต้องมาขัดแย้งกันในประเทศของตัวเอง รองทุกคลัําครวนกันก็ทำไงจะให้คนรุ่นใหม่นี้ขยันแข่งนแข็งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสภาพที่เนี่ยมันก็เลยกลายไปว่าฝรั่งตะวันตกอเมริกันที่เจริญขึ้นมาก็เพราะทุกบีบคั้นไผยคุกคามเท่านั้นเองไม่ได้เจริญขึ้นมาด้วยสติปัญญาความดีการพัฒนามนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยต้องอาศัยระบบระบบวินัยของฝรั่ง คือระบบอะไรวินัยนี่ก็คือระบบแข่งขันใช่ไหมนี่นคือวินัยของสังคมอเมริกันระบบแข่งขันเป็นวินัยของสังคมแต่วินัยแบบนี้ไม่ตั้งขึ้นจากสติปัญญามันตั้งขึ้นจากระบบตันหาที่แย่งชิงผลประโยชน์แล้วเอาวินัยแบบระบบนี้ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ใช่วินัยที่พึงปรารถนาไม่ใช่วินัยแห่งการพัฒนามนุษย์เนี่ยเอามาบีบคั้นคนใช้ทุกบีบขันภายคุกคามก็คือการแข่งขัน การแข่งขันก็คือระบบทุกบีบคั้นภัยคุกคามแกไม่ดิน้นแก่ไม่สู้แกไม่รีบเร่งแกแพ้แกตายใช่ไหมอันนี้ไอ้การแข่งขันก็คือตัวทุกขบีบคั้นภายคุกคามตลอดเวลานะเพราะคนอื่นไม่ช่วยนีย่ตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นก็บีบให้ทุกคนนี่ต้องเร่งรัดพัฒนาตัวเองก็สร้างความเจริญขึ้นมาได้อันนี้มันก็ไม่ใช่หลักความไม่ประมาทที่แท้จริง เมื่อทุกบีบคานภัยคุกคามมันเจริญพราะมันจเจริญมันพลังพร้อมมันก็หลงระเริงโมมเมาก็กลับเสื่อมลงนั้นเวลานี้กระแสก็ลงแล้กระแสแห่งความเสื่อ ม, อมก็โลกนี้ไม่รู้จะพ้นไปได้หรือเปล่าก็อย่างที่ว่าแล้วอริยธรรมมนุษย์นี่ไม่เคยพ้นได้เลยนะก็สะแสดงว่าวัดเอาการเอาความไม่ประมาทมาวัดการพัฒนามนุษย์เนี่ยมนุษย์ยังไม่ประสบความสําเร็จ ในระดับสังคมได้แค่คนไม่กี่คนที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้ชีวิตบริบูรณ์ได้เป็นชีวิตที่ดีงามบรรลุธรรมตรัสรุเป็นพุทธะเป็นพระานารแต่ในแง่สังคมคนส่วนใหญ่ก็วนเวียนอยู่ในวงจรเนี่ยนั่นก็การพัฒนามนุษย์โดยส่วนรวม ส, สังคมเนี่ยจะมีทางเป็นไปได้สาเร็จแค่ไหนอย่างน้อยให้ส่วนใหญ่รักษากันไว้ได้ไม่ให้เสื่อมเนี่ยยากที่สุดเลย เพราะนั้นสังคมอุดมคติเนี่ยสังคมเป็นความไม่ประมาทจะสำเร็จได้รึเปล่า